สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่85สิทธิอํานาจแห่งพระดมรักตอนที่3นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายในวันนี้พี่น้องครับวันนี้นะครับผมจะขอมอบพระวจนะของพระเจ้า3ข้อนะครับในข้อแรกครับก็คือมัทธิวบทที่8ข้อที่8ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าขอพระองค์ตรัสเท่านั้นบ่าวของข้าพระองค์ ก็จะหายโลกพี่น้องครับขณะที่ท่านได้ยินได้ฟังสองวันที่ผ่านมาแล้วนะครับเรื่องของการรักษาธาตุของนายร้อยและคำตัดของพระเยซูที่ตัดกับชายหนุ่มที่ได้ตายไปแล้วนะครับว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดทั้งสองเรื่องนี้ทำให้เราทั้งหลายได้รับรู้ว่าสิทธิอานาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูคริสต์นั้น เป็นสิทธิอำนาจสูงสุดครับผมขอเน้นว่านายร้อยรู้ถึงสิทธิอำนาจแห่งคํำตัดของพระเยซูนะครับและเมื่อเขารู้ถึงสิทธิอำนาจแห่งคํำตัดของพระเยซูเขาก็ขอพระเยซูว่าขอพระองค์ตัดเท่านั้นบ่าวหรือทาตของเขานั้นก็จะหายโรคพระเยซูตัดชมเชยเขาบอกว่าพระองค์ไม่เคยเห็นความเชื่อยิ่งใหญ่เท่านี้แม้ในอิสราเอลในขณะที่ พระเยซูได้ตรัสนะครับทรงส่งผลประการใดบ้างในรูกาบที่เจ็ดข้อสิบสี่พระเยซูตรัสว่าชายหนุ่มเอ๋ยเราสั่งเจ้าว่าจงลุกขึ้นเถิดทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นเริ่มพูดกลับมีชีวิตอีกพี่น้องครับโคจนะพระเจ้าสองตอนนี้กระตุ้นให้เราทั้งหลายได้คลิกให้ควรถึงนิสัอำนาจแห่งคำสัตว์ของพระเยซูหรือเปล่าครับพลิกอนาจแห่งพระดารักของพระเยซู ผมอยากจะทบทวนสิ่งต่างที่พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้นะครับอาจจะนานมาแล้วในอดีตรเราจะเห็นว่าถ้อยคำของพระเยซูมีสิทธิอนาจครับและมีสิทธิอํานาจในพระดารัดของพระองค์ตัวอย่างแรกนะครับก็คือการสร้างโลกในปรมการเราจะเห็นข้อความที่ถูกตอกย้ำซ้ำไปซ้ำมาบ่อยที่สุดนะครับของพรมการบทที่หนึ่ง ในข้อที่สามข้อที่หกข้อที่เ้าข้อที่สิบเอ็ดข้อที่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบข้อที่ยี่สิบสี่ข้อที่ยี่สิบหกและข้อที่ยี่สิบแปดข้อความนั้นพี่น้องลองเดาดูสิครับว่าข้อความนั้นคืออะไรคือข้อความที่ว่าพระเจ้าตรัสว่า and God said พระเจ้าตรัสว่าแสดงว่า วลีนี้หรือข้อความนี้มีความสําคัญมากครับและเพิ่มบีบรรยายว่าเมื่อพงจัดก็เกิดความสว่างเมื่อพรงจัดก็เกิดพากพื้นแยกห่วงน้ําที่แห้งเมื่อพรงจัดก็เกิดพืชพันธุ์เกิดขึ้นพรงจัดก็มีดวงอาทิตย์ครองกลางวันดวงจันทร์ครองกลางคืนมีดวงดาวบนท้องฟ้าเมื่อพรง์จัดก็มีสัตว์ปีสัตวน้ำสตต่างๆเมื่อพรงจัด กี่งตังเหล่านั้นก็มีชีวิตขึ้นมานี่คือข้อความที่ตอบย้ำบ่อยที่สุดในประถมการบทที่หนึ่งครับปรงตรัสพระดำรัดของพระเจ้ามีฤทธิอำนาจนะครับอันที่สองก็คือผมถามว่าถ้อยคำของใครชับบันดานให้น้ำท่วมโลกน้ำท่วมทำลายล้างทุกคนยกเว้นโนอาห์กับครอบครัวและสัตว์ต่างๆที่พระเจ้ากาชับให้โนอาห์สงวนชีวิตเาไว้เอาเข้าไปอยู่ในนาวา ช่อยคําของใครครับคํำตอบก็คือช่อยคําของพระเจ้าครับคําถามข้อที่สามช่วยคําของใครครับซึ่งจะรึกไว้บนแผ่นจีราว่าด้วยกฎบัญญัติจิประการซึ่งสืบพ่อจนมาหลายศตรวรรษจากโมเสสหากปฏิบัติตามหรือใครที่เชื่อฟังกฎบัญญัติ น, นี้เขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์เขาจะอยู่ในร่องในรอยอยู่ในทางของพระเจ้าและอยู่ในพระพร ชีวิตของเขาไม่ขาดจาก พ, อพอระพรเลยครับถามว่าถ้อยคำของใครครับที่บันทึกไว้จารึกไว้อยู่บนแผ่นดิลาถ้อยคําของพระเจ้าคําถามข้อที่สี่ครับถ้อยคําของใครครับที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้หญิงชาวสมาเรียและนําไปถึงชีวิตชาวสมาเรียทั้งหมู่บ้านนะครับคําตอบก็คือถ้อยคําของพระเจ้าถ้อยคําของพระเยซูครับถ้อยคําของใครครับที่กล่าวว่าจงตามเรามา แล้วถ่อยคําเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงชีวิตชาวประมงคนเก็บภาษีแม้แต่ผู้รักชาติถ้อยคําของพระเยซูครับถ้อยคําของใครครับมีสิทธิอำนาจในการอภัยโทษความผิดความบาปได้คําตอบคือถ้อยคําของพระเยซูในลูกากร์เม่อกีห้าข้อที่ยี่สิบครับถ้อยคําของใครครับที่พูดว่าผู้ใดฟังเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดรและไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้วใครเป็นผู้กล่าวครับคําตอบคือพระเยซูพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าพระดํารัดของพระเจ้าคำํำตัดของพระเยซูมีสิทธิอํานาจครับและสิทธิอำนาจนี้เป็นของพระเจ้าและพระเยซูแต่ผู้เดียวพรงได้ทรงตัดและพะนับดํารัดของพระองค์ไว้ซึ่งสิทธิอานาจในการสร้างโลกในการพารดุงโลกไว้ให้อยู่ในน้ําัทไถของพระองค์ เป็นต้นกำเนิดประชาชาติต่างๆซึ่งจะเป็นผู้นําจิตวิญญาณและได้ทรงประทานความรอดให้กับโลกผ่านทางพระดำรัตหรือภระวัฒนะก็คือองค์พระเยซูคริสต์นี้มีอีกมากมายครับจนกระทั่งถึงพระกระแสเรียกหรือการทรงเรียกที่มีมาถึงเราทั้งหลายพระดำรัตของพระองค์มีสิทธิทีอำนาจที่จะเรียกเราขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพ ร, พ, รพี่น้องทุกๆุกท่านในการที่จะสัมผัสถึงฤทธิอำนาจและสิทธิทีอำนาจนี้ และมีความเชื่อไว้วางใจในสิทธิอำนาจนี้ตลอดจนเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจแห่งพระดำรัสของพระเยซูพระดำรัสสอนของพระเยซูก็ยังเป็นคงเป็นความจริงอยู่เสมอและมีความหมายพิเศษกับชีวิตส่วนตัวของเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านและเราจะพบกับถ้อยคําของพระเยซูซึ่งยังคงเป็นความจริงนี้ได้อย่างไรครับคําตอบก็คือถ้อยคําเหล่านี้มีอยู่ในพระคัมภีร์ เราจะพบกับพ้อยคําเหล่านี้ได้ก็โดยการอ่านพระโอษณะของพระเจ้าทุกวันเมื่อเรายิ่งอ่านพระโอษณะของพระเจ้ายาวเรายิ่งพบกับพระเจ้ามากขึ้นเมื่อเรายิ่งอ่านพระโอษณะของพระเจ้าเรายิ่งพบกับพระเจ้ามากขึ้นเรายิ่ง ร, รู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นแต่เมื่อเรายิ่งรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นเราก็จะรักพระองค์มากขึ้นเพราะพระองค์น่ารักพระงประเสริฐพีน่น้องครับพระนํารัทของพระเยซูนนจะมีความหมายพิเศษนะครับก็ต่อเมื่อเราอ่านพระโอษณะของพระเจ้า และถามตัวเองว่าพระเยซูตรัสในครั้งนั้นตรงมีความหมายอย่างไรและถามตัวเองต่อไปว่าห้อยคาเหล่านี้มีความหมายอะไรกับชีวิตของฉันบ้างพี่น้องครับก่อนที่จะการวันนี้ผมอยากจะมอบพระคัมภีร์อีกสองตอนให้กันให้กับพี่น้องครับย้อนบทที่แปดข้อที่สามสิบเอ็ดถึงข้อที่สามสิบสองพระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายจำลงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยพระคำมีข้อนะครับในยอห์นบทที่หกข้อหกสิบแปดพระเจ้าค่ะพวกข้าพระงจะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้ชีวิตนิรันดร์พี่น้องครับเราจะจากไปหาผู้ใดอื่นอีกแล้วครับในเมื่อพระเยซูคริสต์ของเรานั้นมีถ้อยคํา ที่ให้ชีวิตนีวันขอพระเจ้ า, วาพอวยพอระพรพี่น้องชาวลับทุกท่านในเช้าวันจันทร์วันใหม่แห่งการทำงานนี้อาเมน